ยายตื่นตั้งแต่ตีสี่เช่นเคยเดินไปปลุกหลานสาวยังห้องที่หลานชายเคยอยู่แล้วจึงล้างหน้าล้างตาเข้าห้องพระทำวัดเช้าจบก็นั่งภาวนาอีกครึ่งชั่วโมงเมื่อถอนจิตออกจากองค์ภาวนายายแผ่เมตตาไปยังนางเหรียญลูกสาวคนโตซึ่งยายรักและเป็นห่วงมากกว่าลูกคนอื่นๆอีห เอ้ยสายสายเอ็งมาที่บ้านข่าหน่อยนะไอหนูมันมาจากบางกอกช่วยจัดการแบ่งสมบัติให้มันด้วยเวยลาตาย้าจะได้นอนตาหลับเงินทองข้าเก็บฝังไว้ใต้ทุนบ้านไอหนูมันช่วยเอาไปฝังให้ตอนหลังมันคิดจะขุดเอาไปขาย นำเงินไปเล่นการพ น, นั้นเทวดาท่านเลยย้ายไปไว้ที่ป่ากระชายห่างจากใต่ทุนออกไปห้าว่าเองจัดการมาขุดแล้วก็แบ่งกันเสียหายเรียบร้อยก่อนที่ขาจะกลับจากวัดไม่อยากให้นางจำแลงรู้เดี๋ยวมันจะหน่อยใจ ในความรู้สึกของนางเหรียญเหมือนกับว่ามารดามาบอกด้วยตนเองดังนั้นเมื่อกินข้าวเสร็จจึงเดินทางมายังบ้านมารดาแล้วก็พบหลานชายเพิ่งจะตื่นนอนคนเป็นหลานยกมือไหว้และจึงบอกกล่าวยายไม่อยู่หรอกครับไปทาบุญที่วัดกับนางจำแลงเห็นว่าขากลับจะชวนพ่อกับแม่ผมมาที่นี่ด้วย ยายบอกเขาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็รู้แล้วเมื่อเช้าแม่แกไปบอกข้าว่าให้มาขุดสมบัติแบ่งกันกันกบเองก่อนที่แกจะกลับจากวัดเห็นว่าไม่อยากให้นางจำแรงรู้นางเหรียญบอกคนเป็นหลานสมบัติอะไรหนุ่มน้อยแ้งทำไม่รู้เรื่องอ้าวแม่แกไม่ได้บอกเองหรอกหรือ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 โก้อย่าบอกใครนั่งสบายกว่าเรือเขียวเรือแดงตั้งหลายเท่าป้าสบายดีหรือครับก็เรื่อยๆหวัดแต่ว่าจะไปขุดสมบัติกันหรืออย่างละ่ะนางเร่งเรา้า้ดยรู้สึกเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่เหล้าสมบัติอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาทดสอบผู้เป็นป้าว่าจะรู้เรื่องจริงๆ หรือมาหลอกเข้ากันแน่ก็ที่เองฝังไว้ใต้ทุนแล้วเทวดาช่วยย้ายไปไว้ป่ากกระชายไงล่ะทาไมต้องย้ายด้วยล่ะป้าคราวนี้เขาเชื่อว่านางเหรียญไม่ได้โป้ปดมดเท็จยังจะมีหน้ามาถามก็เพราะเองคิดจะลักไปขายน่ะสิถามจริงๆเธอะเองคิดจะลักสมบัตินี่ไปขายจริงๆเหรอผมไม่รู้เรื่อง หนุ่มเจริญตอบเสียงแข็งเรื่องอะไรจะยอมรับครูชิ้นเคยสอนไว้ว่าถ้าริจะเป็นผู้ร้ายต้องใจแข็งปากแข็งอย่ายอมรับอะไรง่ายๆนางเหรียญเห็นหลานชายเอาจริงเอาจังก็ชักลังเลแต่แล้วก็พูดขึ้นว่างั้นก็ลองไปขุดกันแม่บอกว่าอยู่ที่ปากกระชายห่างจากที่เดิมออกไปสักห้าว่า เมื่อเห็นว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หนุ่มน้อยจึงออกอุบายว่าเงนป้ารอผมเดี๋ยวหนึ่งขอผมออกไปซื้อของที่ตลาดเดี๋ยววก็ได้รีบๆเข้านะเดี๋ยวนางจำแหลงกลับมาเห็นเข้าก็จะเสียเรื่องหมดรับรองผมจะวิ่งไปวิ่งกลับป้ารออึดใจเดียวเท่านั้นเขาจัดการหาผ้าขามา้ามาโพกศรีรษะและคลุมหน้า เหลือไว้แต่ลูกในตาทำไมต้องพกหัวเป็นพม่าด้วยผู้เป็นป้าถามผมไม่อยากให้ใครจำได้เดี๋ยวเขาจะถามถึงเจ้าโก้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าโก้ด้วยนางเหรียญไม่รู้เรื่องที่หนุ่มกันเชียงเสียชีวิตเพราะเวลาที่มีอยู่หมดไปกับการดื่มเหล้าไม่รับรู้เรื่องราวของใคร มันตายไปแล้วบ้าอย่าถามต่อเลยนะผมไปละเขาก้าวเท้ า, ว า, วาวสวบๆลงเรือนไปนางเหรียญจึงนอนรอคิดว่าเมื่อได้สมบัติแล้วก็จะไปซื้อเหล้ามาดื่มให้หายเปรี้ยวปากครึ่งชั่วโมงต่อมาหนุ่มน้อยก็กลับถึงบ้านมีเหล้าโรงถือติดมือมาสองขวด คนที่นอนคอยเห็นขวดเหล้าถึงกับน้ำลายสอมือไม้สันดริกเอ็งดื่มเหล้าด้วยหรึดีจริงจะได้เป็นเพื่อนกับป้าอา้าวแล้วของป้าอยู่ที่ไหนล่ะครับจะได้มากงด้วยกันอยู่บ้านนางตอบไปอย่างนั้นเองอันที่จริงมีแต่ขวดเปล่าส่วนสิ่งที่อยู่ในขวดนางจัดการดื่มจนหมด ไม่เคยเหลือติดค้างไว้ให้เกกะลูกในตางั้นดื่มของผมก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะไปซื้อมาใหม่หลานชายแสดงความเอื้อเฟื้อในเอ็งเก่งถึงขนาดกินทีละสองขวดเถวเรึหลานป่าเก่งจริงๆพูดอย่างชื่นชมดีใจนักที่หลานชายก็มาตะเผาเดียวกัน ล้านป้าก็ต้องเก่งเหมือนป้าน่ะสิหนุ่มน้อยแซงยอ่องั้นก็ไปหยิบแก้วมาเร็วๆเข่าป้าอดใจไม่ไหวแล้วนางสั่งบ้านนี้ไม่มีแก้วหรอกป้าเพราะไม่มีคนดื่มเหล้าผมว่าเอาขันน้ำก็แล้วกันเขาเดินไปหยิบขันน้ำอลูมิเนียมใบเขื่องมาส่งให้นางเหรียญรับมาด้วยมือสันราริกจัดการรินเหล้าใส่ขัน แล้วดื่มอย่างคนตายอดตายอยากหนุ่มเจริญต้องการมอมเล่าผู้เป็นป้าจึงเดินเข้าไปในครัวตักขนมบัวลอยไขหวานมาให้ถ้วยหนึ่งต้องกินกับขนมบัวลอยถึงจะเข้ากันดีไม่เอาเดี๋ยวดีเมาตายนางเรียนรีปฏิเสธไม่รอกคนยังป้าขืนเมาก็เสียชื่อแย่กินเธอหน้ารับรองว่าไม่เมา ลูกสาวคนโตของยายเกรงว่าจะเสียชื่อเลยกินขนมเสหมดถ้วยหลานชายผู้แสนดีคอยรินเหล้าเติมให้ตัวเขาเองก็ทำทีเป็นดื่มแล้วแอบไปบ้วนทิ้งที่หลังบ้านเหล้าหมดไปขวดหนึ่งคนที่มารดาเรียกว่าอีหมาก็นอนแผ่สองสลึงอยู่กลางเรือนไปกดสมบัติกันเถอะป้าเดี๋ยวนางจำแรงมาเห็นเข้า หลานชายชวนคนเมาโงนเงีนลุกขึ้นนั่งเพราะว่าห่วงสมบัติแต่แล้วก็ต้องนอนแผ่ลงไปอีกเพราะบ้านหมุนเคว้งควางจนตาลายไปหมดเอ็งไปกุดก่อนเดียวก่อนเอากันพูดเสียงอ้อแอดเต็มทีหนุ่มน้อยไม่รอช้าลงจากบ้านไปกุดสมบัติแล้วแบกเฉพาะหยบรรจุทองขึ้นมาบนบ้าน เขาจัดการยักยอกสายสพายหนักเส้นละ8บาทซึ่งเหลืออยู่2เส้นส่วนเส้นที่ย้ายให้ตอนเขาไปเรียนบางกอกยังเก็บไว้อย่างดีที่บ้านครูสอนได้สายสพายแล้วเขาหยิบสร้อยข้อมือหนัก4บาทมาอีก4เส้นรวมน้ําหนักท อ, ทองที่ยักยอกในครั้งนี้32บาทตอนฝังไว้มีทองคําทั้งสิ้นหนัก152บาทจึงเหลืออีก ร้อยสิบบาทที่จะต้องแบ่งกับนางเหรียญหนุ่มน้อยจัดการห่อสายสะพายสองเส้นกับสร้อยข้อมือสี่เส้นแล้วใส่ลงในถ้ยแขวนไว้ที่เสาเรือนประนมมือบอกผีบ้านผีเรือนว่าเจ้าประคุลข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะยักยอกของนี้แต่ที่ต้องทำเพราะอยากจะเก็บไว้ทาบุญให้ยายหากของนี้ไปตกอยู่กับป้าเหรียญ ก็จะถูกแกะขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินยายก็จะไม่ได้บุญขอผีบ้านผีเรือนช่วยรักษาไว้ด้วยอย่าให้ใครมาเห็นหรือมาขโมยไปอธิฐานเสร็จเขารู้สึกมีลมพัดผ่านกายวูบหนึ่งเหมือนกับว่าผีบ้านผีเรือนรับที่จะปกปักรักษาของไว้ให้จากนั้นจึงแบ่งของที่เหลือออกเป็นสองกอง กองหนึ่งหนัก53บาทอีกกองหนักห9บาทกองที่หนัก53บาทมีร่างแหทองคำอยู่ด้วยจึงเป็นข้อต่อรองที่เขาจะได้ทองเพิ่มขึ้นอีก6บาทจัดการเสร็จจึงปลุกนางเหรียญซึ่งนอนหลับไหลไม่ได้สติเพราะความเมาป้าตื่นเถอะจวนได้เวลาย้ายกลับแล้วความกลัวว่า สมบัติจะถูกแบ่งไปให้นางสาวจำแลงทำให้นางเหรียญสางเมาลุกขึ้นนั่งงวงเงียถามว่าเองแบ่งยังไงถามพลางดูกลองสมบัติซึ่งมีทองรูปประพันธ์กองละหกชิ้นก็คนละกองทองทั้งหมดหนักร้อยห้าบบาทก็แบ่งคนละ76บาทป้าเอากองนี้ก็แล้วกันเข้าชี้กองที่หนักห้าบาบาท เอากล่องนั้นไม่ได้หรอนางต่อรองด้วยรู้ว่าหลานชายเหลี่ยมจัดผมไม่อยากได้ตัปปิ้งป้าเป็นผู้หญิงเอากล่องนี้แหละตกหลงคนเป็นป้ายอมแต่โดยดีเพราะรู้ว่าต้องอาศัยหลานให้พาไปส่งบ้านตัวเองนั้นแค่จะเดินก็คงไม่ตรงทางอย่าว่าแต่จะแบกไฮสมบัตเลย มีให้เงินอีกอยู่ข้างล่างป้าแบกไหว้หรือเปล่าไม่ไหวหรอกเองช่วยแบกไปส่งน่อยเิก็ได้แต่ป้าต้องจ้างผมนะขอส้อยหนักห้าบาทเส้นหนึ่งตกลงนะยังไม่ทันที่นางเหรียญจะเอ่ยปากอนุญาตเขาก็หยิบสร้อยคอเส้นนั้นขึ้นสวมเป็นอันว่านางเหรียญได้ส่วนแบ่งเพียง48บดบาท ทั้งที่ความจริงควรจะได้76บาทส่งป้าเหรียญถึงบ้านแล้วหนุ่มน้อยก็ขอตัวกลับเขาใช้ผ้าขมะาคลุมหน้าจึงไม่มีใครจำได้ที่สำคัญคือวันนี้เป็นวันพระผู้คนส่วนใหญ่พากันไปทำบุญที่วัดพวกที่อยู่บ้านก็เป็นเด็กๆและคนแก่ที่ไปวัดไม่ไหว แม้บางคนพอไปไหวหากก็ไม่อยากไปเบียดเสียดกับผู้คนจึงจำศีลอยู่กับบ้านในตาบล น, นี้คงมียายของเขาคนเดียวที่อายุมากแต่ยังไปวัดได้หนุ่มน้อยขึ้นไปวนเรือนนำทองที่ซ่อนไว้ออกมาดูด้วยความชื่นชมขณะนี้เขาเป็นเจ้าของทองคำหนักร้อยสี่บาทคิดเป็นเงินนับร้อยๆชอยช่างทองเหล่านี้ เขาจะเก็บไว้กับตัว13บาทคือสวมอยู่ที่คอนหนัก5บาทกับสายสะพายหนัก8บาทที่บ้านครูสอนอีก32บาทนั้นใส่ไท้แขวนไว้ที่เสาเรือนส่วนที่เหลือ59บาทประเดี๋ยวมันดามาจะฝากมันดาเก็บไว้ให้บ่าย3โมง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 ทั้งยังบอกครูสอนผู้สามีไม่ให้เก็บค่าเรียนดนตรีไทยจะเขาอีกด้วยรออยู่ครึ่งชั่วโมงเรือส่วนตัวก็มาจอดที่ท่าน้ำหนุ่มเจริญแนะนำบิดาและพี่สาวให้รู้จักกับคนในเรือคุณโกสุมออกปากชมกับทิ์พองว่าพ่อเจริญเธอช่างน่ารักเสีย จ, จริง ขยันขันแข็งช่วยงานดิฉันทุกอย่างกริยามารยาทก็เรียบร้อยคุณพองเลี้ยงลูกดีเหลือเกินต้องยกความดีให้แม่ยายผมครับเขาไปอยู่กับคุณยายตั้งแต่อายุหกขวบถ้าเลี้ยงเองอาจจะไม่เป็นอย่างที่ว่าก็าได้ทิดพองพูดทำตัวเขามีคุณธรรมพอที่จะไม่แอบอ้างเอาความดีของผู้อื่นมาเป็นของตนแม้มีโอกาส แต่พ่อแม่ก็มีส่วนนะคะดิฉันเชื่อค่ะว่าคนจะดีนั้นต้องดีมาตั้งแต่เกิดหรือบางคนอาจจะดีก่อนเกิดด้วยซ้ำส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงส่วนประกอบคุณโกสมออกความเห็นก็ไม่เน่เสมอไปหรอกครับเท่าที่ผมเคยเห็นลูกขอทานแท้แท ย, ยังกลายเป็นเจ้าเมืองได้ผมว่าเรื่องกรรมนั่นแหละสำคัญที่สุด มนุษย์เรามีกรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตไม่ใช่พรมลิขิตดังที่เขาเชื่อกันแต่เป็นเรื่องของกรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมก็มีเก่ามีใหม่ด้วยหรือคะคุณโกสุมถามโเระโเระมีสิครับกรรมเก่าก็คือกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติส่งผลให้มาเกิดในชาตินี้ส่วนกรรมใหม่คือกรรมที่จะทำต่อไปในอนาคต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 ผมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนถึงดีฉันจะมีสวนมะพร้าวแต่ก็ยังต้องการซื้อจากคุณพองอยู่ดีเพราะไม่ทราบจริงๆกรุณาอธิบายด้วยเถอดคะ่ะคุณโกสุมอยากฟังคือพวกที่มามืดไปสว่างพวกที่มาสว่างไปมืดพวกที่มาสว่างไปสว่างแล้วก็พวกที่มามืดไปมืด พิทพองพูดจบคุณโกสุมก็เข้าใจชัดแจ้งด้วยเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วลูกชายผมรุยนดนตรีไทยไปถึงไหนแล้วครับสร้างความหนักใจให้คุณครูหรือเปล่าบิดาหนุ่มเจริญถามครูสอนไม่หนักใจอะไรเลยเขามีพรสวรรค์ทางด้านนี้คงจะได้มาจากคุณปู่ฝีมือตีระนาดของเขา ไม่แพ้คุณหลวงเลยนะครับผมต่อเพลงแขกรบบรีให้ที่ยวเดียวเขาเล่นได้ทันทีเป็นลูกศิษย์ที่ผมภูมิใจที่สุดครูสอนชื่นชมเห็นใครๆก็ชื่นชมแต่น้องชายไม่มีผู้ใดสนใจหล่อนนางสาวจำแรงรู้สึกหงุดหงิดและนึกมันไส้น้องชายเป็นกำลังผ่านโกรธไปถึงยาย ที่ไม่ขอหล่อนมาเลี้ยงบ้างหล่อนอยากมีเพื่อนมากๆอยากไปเรียนบางกอกอยากนั่งเรือโกโก้และแต่งตัวสวยอย่างคุณรัตนาอันที่จริงหล่อนมีปู่เป็นถึงคุณหลวงแต่เหตุใดบิดาจึงไม่ส่งหล่อนไปเรียนบางกอกอย่างน้องชายบ้างยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดหน้าหล่อนเลง็งหงอจนบิดาสังเกตเห็น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 และพวกเด็กๆที่อ่อนวัยกว่าทิดพองนึกหมั่นไส้ลูกสาวขณะเดียวกันก็เกิดความสงสารหล่อนดังนั้นที่คิดจะว่าจึงไม่ว่าสองพ่อลูกพากันเดินกลับบ้านอย่างเงาเหงาไม่มีใครพูดอะไรกระทั่งถึงบ้านยายซึ่งแม่จวนรออยู่